มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะเป็นอาจารย์สอนที่หมหาชัยจบด็อกเตอร์ทั้งคู่เนี่ยยังมีความตั้งใจว่าทั้งคู่เลยนะเมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยก็จะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะจังหวัดตางแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่บ้านเฉยเฉยนะอา่ <c oughs> อาอะไรอา่าตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะให้บ้านที่ตัวเอง ไปอยู่ในใบกระสียีเนี่ยนะเป็นป่าด้วยวก็เลยนะพยายามทำตามที่ตั้งใจนะตั้งแต่อย่างรับราชการอยู่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมองหาต้นไม้โดยเฉพาะพันธุ์ยากๆพันธุ์ที่หายากคนที่พันธุ์ที่คนไม่ค่อยปลูกกันแล้วก็นำไปปลูกในพื้นที่ ของตัวเนี่ยก็ทำยี่มาตลอดนะปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งเกษียณเกษียณเสร็จก็กลับไปอยู่บ้านอย่างที่ตั้งใจทั้งสามีภรรยาแล้วก็ปลูกต้นไม้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้อายุ70กว่าแล้วผ่านมา30ปี บางตัวเนี่ยกลายเป็นป่าไปเรียบร้อยแล้วมีต้นไม้นี่นับหมื่นต้นนะชนิดของพันธุไม้นี่ก็เรียกว่าหลายร้อยพันทีเดียวและตอนนี้เนี่ยนะก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณนะอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่ให้ความร่มเย็นทั้งสองท่านเนี่ยคืออาจารย์ที่พาพรแล้วก็อาจารย์บวรเนี่ยบอกว่าเนี่ย ป่านี่เป็นทุกอย่างในช่วิของตนเลยทีเดียวนะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนนะก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านนี่แหละเพราะบ้านนี้เป็นป่าไปเรียบร้อยแล้วในทางพูทธเนี่ยเราเรียกว่าเป็นถิ่นโรมาณีนะอ่าคำว่าโรมาณีหรือถิ่นโรมาณีนี่ก็เป็นคําสําคัญนะในพุทธศาสนาที่ถูกมองข้ามไปที่พระเจ้าเนี่ย ตอนที่เสด็จออกบรรพชาเนี่ยเราก็ตัดสินใจบำเพ็ญธรรมเนี่ยที่ริมแม่น้ำเนรัญชาราก็เพราะว่าทรงเห็นว่าตรงนั้นแหละเป็นที่รมณีและสุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิญาณตายต้นไม้คือต้นโพยังเรียกว่าถิ่นรมณีนะดึงดูดนะให้อดีตเจ้าชายสิทธัต ถ, ถานี่มา ทำความเพียรจงกันทั่งตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอารมณีหรือถิ่นอารมณีเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะีถ้าเราทําพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรือรอบบ้านของเราเนี่ยให้กลายเป็นป่ามีความสงบสงดัดนะมันก็เป็นถิ่นอารมณีแล้วก็กลายเป็น สิ่งที่ให้ความสงบร่มเย็นนะทั้งกายและใจตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยนะจนกระทั่งไม่มีพื้นที่จะปลูกแล้วตอนหลังภรรยาเนี่ยคืออาจารย์ทีพพาพรก็หันมาบุกเบิกเรื่องการทำาภา พ, พิมพ์ลายใบไม้ที่เรียกอีโคปรินติ้งซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะแล้วก็เป็นสื่อนะที่ทำให้คนเนี่ยได้ เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติอัศจรรย์นในความงามของธรรมชาติใบไม้ธรรมดาธรรมดาสามารถจะให้สีสันที่สวยงามแล้วก็ไม่คาดคิดแล้วก็สำหรับอาจารย์ที่บาพรนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าฝึกให้ทํางานศิลปะโดยไม่คาดหวังคาดหวังเมื่อไหร่ก็เป็นทุกเมื่อ น, นั้นแต่พอไม่คาดหวังว่า สีสันหรือว่าลวดลายจะออกมาอย่างไรสุดแท้แต่ธรรมชาติจะอนุญาตนะก็สามารถจะพบความสุขได้ที่ใจของตัวนะอันนี้ก็เราเป็นการปฏิบัติธรรมผ่านภาพพิมพ์ลายใบไม้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิอย่างเดียว อันนี้ก็เรียกว่าได้อา น, นิสงส์นะจากป่าอา น, นิสงส์จากธรรมชาตินะให้ความร่มเย็นทางกายแล้วก็ให้ความร่มเย็นในจิตใจนน่เรียกว่าเด็นกายในร่มไม้นะสุขใจในร่มธรรมนะแล้วก็มีอาจารย์มาฉชัยท่านหนึ่งนะมีความคิดคล้ายๆกัน ก็คือตอนเองเนี่ยมีพื้นที่อยู่หน้าที่สีสะเกดประมาณ200ไร่เคยเห็นความงดร่วมรื่องของธรรมชาติของป่าในสมัยที่ตัวอยังเด็กแต่ตอนหลังก็เห็นธรรมชาติถูกทําลายไปป่าหดหายก็เลยมีความตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะปลูกป่าขึ้นมาในพื้นที่ของตัวก็เลยตั้งใจตั้งแต่อายุ40นะว่า จะปลูกป่าให้เป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วก็เริ่มนะปลูกต้นไม้เทียนนิดเทียนหน่อยเนี่ยตั้งแต่อายุ40่พามา30ปีนะพื้นที่200ไร่เนี่ยกลายเป็นป่าไปเรียบร้อยแล้วมีต้นไม้ถึงสองหมืกว่าต้นร่มรื่นเลยทีเดียวแล้วก็เช่นเดียวกันนะพอ อาจารย์ท่านเนี่ยคืออาจารย์ส ม, มานเนี่ยสมหมายเนี่ยพอกเกษียณแล้วนี่ก็กลับไปบ้านของตัวแล้วก็ไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านของตัวปลูกทุกวันนะปลูกทุกวันตั้งแต่ช่วงที่ ยังไม่ค่อยมีร่มเงานะปลูกต้นไม้กลางแดดจงกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยร่มเงาเนี่ยครึ้มเลยและต้นไม้ที่ท่านปลูกนี้นะหลายต้นก็มีค่ามากเช่นต้นสักเนี่ยท่บอกเนี่ยต้นสักเนี่ยปลูกมาสาสิบปีแล้วปลูกลงไปพันต้นนะจนถึงบัด น, นี้เนี่ย ยังอยู่เนี่ยล้วก็โต800กว่าต้นเคยมีพ่อค้านี่เข้ามาดูนะแล้วเขาบอกขอซื้อขอซื้อต้นสักเนี่ยทั้งหมดเลยนะจะให้เงิน22ล้านบาทแต่อาจารย์สมหมายปฏิเสธนะเขบอกว่าเนี่ยไม่ได้ดูถูกเงินนะแต่ว่าไม่ได้บูชาเงิน อันนี้น่าคิดมานะไม่ได้ดูถูกเงินนะก็ร่วงเงินมีค่าแต่ไม่ได้บูชางเงินจนถึงขั้นว่าพร้อมจะเสียหรือให้อะไรก็ได้เพิ่งเงินอาจารสมหมายก็ไม่รวยนะตอนนี้ก็อายุเจแล้วแต่ว่าอยากจะรักษาต้นไม้ไว้เพราะตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะปลูกปาให้แผ่นดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้ามาขอซื้อก็ไม่ขายจะเก็บป่าเก็บต้นไม้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังเพราะนับวันเนี่ยป่ามันก็จะเหลือน้อยลงไปทุกทีโดยเฉพาะที่สีสเกตและทุกปีเนี่ยก็จะมีคนมาอบรมมาดูงา น, นปีละ3 0 0พั0 0 0คน กาจารย์สมหมายนี่แกก็สอนนะแต่ก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่แกมอบให้กับคนที่มาเรียนสิ่งที่มีค่าคืออะไรคือต้นไม้คนที่มาดูมาเห็นต้นไม้แล้วโอ้เกิดความประทับใจแล้วเกิดความรักต้นไม้พอเห็นขุนคางต้นไม้นะต้นไม้นี่ใหญ่โต งดงามให้ร่มไม้เกษตรก ร, ร, กรหลายคนเนี่ยพอมาเห็นต้นไม้นะในป่าของอาจารย์สมหมายแล้วก็บอกต้นไม้ที่เขามีเขาไม่ขายแล้วเดิมทีก็จะขายต้นประดูบ้างต้นตะเคียนบ้างเพราะมันมีค่ามีราคาตอนนี้ไม่ขายแล้วเพราะเห็นคุณค่าของต้นไม้ว่ามันยิ่งกว่าเงิน อันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรักในต้นไม้และทีร่างนี้เพราะได้มาเห็นต้นไม้ของจริงนะที่เติบโตอย่างอิสระในธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างนะของคนที่เมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยนะไม่ได้คิดจะอยู่อย่างล่องลอยแต่ว่าตั้งใจที่จะทำ สิ่งดีๆที่มีค่าให้เป็นสมบัติของส่วนรวมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตนะตอนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของชีวิตเนี่ยมันคือการทำสิ่งที่มีคุณค่าโดยเพราะการ ปลูกลารักษาธรรมชาติแล้วก็เมื่อกเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความใฝ่ฝันนะก็ทาตามความฝ่ฝันจนสาเร็จจนเห็นผลแล้วก็เรียกว่าได้รับความสุขในวัยกเกษียณในบั้นปลายของชีวิตเรียกว่าได้ทั้งความสงบเจนแล้วก็ทำตวให้เป็นประโยชน์ด้วย คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถทําความฝ่ายฝันของตัวได้ในวันนี้แต่ว่าถ้าหากยังรักษาความฝ่ายฝันเอาไว้แล้วก็พยายามทําตามความฝ่ายฝันวันละนิดวันละหน่อยอย่างเช่ น, นทั้งสองครอบครัวเนี่ยนะอยากจะปลูกป่าในพื้นที่ของตัวก็ไม่ได้รอนว่ากเกษียณแล้วค่อยไปทําทำเชแต่วันนี้เลย ในขณะที่ยังรับราชการอยู่ในขณะที่ยังอยู่กรุงเทพยอยู่ก็ทำเอาอากาศไปปลูกต้นไม้วัล น, นิดวัละหน่อยทําไปเรื่อยๆเพอไปสามสิบปีโอต้นไม้นี่กลายเป็นป่าไปแล้วแล้วอย่างกรณีของป่าของอาจารย์สมหมายนี่มันเป็นโอเอซิสเลยนะโอเอซิสเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นแหล่งน้ํากลางทะเลทรายป่าของอาจารย์สมหมายนี่ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะกลาง พื้นที่ที่แห้งแลง้งเตียนราบเนะเป็นที่ที่ให้ความชุ่มชื้นและความสงบเย็นทั้งกับให้แก่คนที่มาเยี่ยมชมทั้งทางการและใจถ้ามันเป็นสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้คนได้มากนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลแห่งความเพียรที่ทำตามความไฝ่ฝันแลซึ่งทุกคนเนี่ยนะก็สามารถจะทำได้นะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัว จะเล็กจะน้อยจะจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่ละทิ้งความพยายามทำไปเรื่อยๆท้ายก็จะเห็นผลได้ในที่สุด